จะเล่นใจกินใจเที่ยวจะดูทีวีดูนั่งฟังเพลงดูละครดูหนังสืออะไรกันจะตอบสนองได้ทีเรียกว่ากา마ฉันทะแต่ก่อนที่จะถึงตัวนั้นมันใช้คําว่านันทิคือเพลินอ่านันทิตัวนี้นั้นอันนี้ลูกน้องของลูกน้องยังไม่ใช่โดยตรงนะลูกน้องของของมานลูกน้องของลูกน้องของลูกน้องขมารันทีดีนะไม่ใช่ลูกน้องโดยตรงนะลูกน้องโดยตรงคือกา마ฉันทะลูกน้องของลูกน้องมันคือนันทิความเพลิดเพลิน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 เกิดการขยันนะคือพยายามมองมาตรงๆอย่ามองแบบอ้อมๆคือหมายวว่พยาพยามารเนี่ยมันมันกลัวที่ตาเราถ้ามองตา ม, มัาตรงๆนี่นะมันโหดะแต่ทําถ้าจะตาออนเนาะเดี๋ยวตกหลังป๊บเลยไปเลยแบบนั้นมันหาจังหวะอยู่แล้วในนันทีความเพลินตัวที่สองจะมาเมื่อมันไม่ได้เพลินไม่ได้สมอยากมันส่งลกน้องตัวที่สองมาเลย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 มีไหมง่วงมีบ้างไหมมีแล้วบีบตาแดงเลยก <c oughs> ็มานแสดงมาคบแก่ผูกตัวเลยใช่อหมอง่วงแล้วก็ง่งวงเราไม่ไม่ได้ง่วงไม่ได้รับสมชัยก็ฟุ้งที่เนี่ยฟุ้งซ่านคิดเรื่องนะั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เข้ามาวันนี้นึกนิวร์มาวัยเน้ดูท่านเนาะมาวัพอง่วงฟุ้งซ่านได้แล้วหลังเละหาวันนี้ไหวไหมเนี้ยคิดหนักแล้วยนั่นสงสร้างจังหวะนี้จะไปหยุดได้มไเมื่อไหร่เนี่ยนานไหมเนี้ย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 ภัคสาที่เกี่ยวกเรื่องการดุกการ น, นั่งการย่างการเดินกันไปกันมาในช่วงบ่ายในช่วงบ่ายก็วงพ่อจะให้กลุ่มใหม่ขึ้นข้างบนให้ฌานเด็กวุฒิรลว็ก็จะดูกลุ่มเก่าที่ขึ้นไปข้างบนวันนี้ปรับฐานอีกทีหนึงต่อบทเรียนนะอันนี้ก็จะสลับกันไปครนี้เพื่อที่เราจะได้ศึกษาดูว่าระหว่างพุทธกับมารที่อยู่ในใจของเราเนี่ย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 ดังนั้นในช่วงนี้เราไปรับประหารเสร็จแล้วก็ชุวงประมาณสักเที่ยงครึ่งอย่างช้าไม่เกินบ่ายโมงแล้วกลับมาได้ขอความเมตตาเอาบวงของมารมาใส่ตรงนี้ทุกคนนะถ้าหากว่ายังไม่มาก็จะต้องบันทึกชื่อไว้ก่อนจะไมได้อารมณ์นะตรงนี้เพื่อความปลอดภัยนะเพื่อเราจะได้ไป